กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหาได้แก่อุปาทานความยึดติดถือมั่นซึ่งมีสี่อย่างคือหนึ่งกามุปาทานความยึดมั่นในกามกามคือสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งหาและความใคร่ในสิ่งสนองความต้องการเหล่านั้นเมื่ออยากได้ ดิ้นรนแสหาก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและกลัวหลุดลอยพรากไปเสียถ้าแม้ผิดหวังหรือพลาคไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอะไรความยึดมั่นแน่นแฟนขึ้นเพราะสิ่งสนองความต้องการต่างๆไม่ให้ภาวะเต็มอิ่ม หรือสนองความต้องการได้เต็มขีดที่อยากจริงๆในคราวหนึ่งคราวหนึ่งจึงพยายามเพื่อเข้าไปถึงขีดที่เต็มอยากนั้นด้วยการกระทําอีกระทาอีกและเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของตนแท้จริงจึงต้องยึดมั่นไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้ความคิดจิตใจของปุถุชน จึงไปยึดติดผูกพันคล้องอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอหลอดโรงเป็นอิสระและเป็นกลางได้ยากกิเลสที่สืบเนื่องจัตัิหาคืออุ ป, ปาทานความยึดติดถือมั่นข้อที่สองที่ถูกปาทาน ความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฐิต่างๆความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการยอมทำให้เกิดความเอียงที่จะยึดมั่นในทิฐิทฤษฎีหรือหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความต้องการของตนความอยากได้สิงสนองความต้องการของตนก็ทำให้ยึดมั่นในหลักการแนวคิดความเห็นลัทธิ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 เกิดการผูกมัดตัวให้คับแคบสร้างอุปสรรคกับปัญหาของตนเองความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์แท้ๆของมันทำให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากความรู้และไม่สามารถรับความรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็น ที่สืบเนื่องจัดตั้นหาคืออุปาทานความยึดติดถือมั่นข้อที่ 3. สศิลปตูปาทานความยึดมั่นในศินลปรสความอยากได้อยากเป็นอยู่ความกลัวต่อความสูญ์สลายของตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง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 ได้แต่ลงสันนิฐานเอาซิว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เมื่อลงได้ปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แล้วยอมต้องได้รับผลดีเองฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมทานศีลหรือพระพฤตธธรรมะแต่เพียงตามแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีตามตัวอย่างที่สืบประราปรากันมาเท่านั้นไม่เข้าถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ แต่เพราะอาศัยการประพฤติประทำมาจนชินการยึดถือจึงเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดแก้ไขายากและจนถึงต่างจากอุปาทานข้อที่สองข้างต้นซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิหรือความคิดความเห็นที่ผิดส่วนข้อนี้เป็นการยึดถือในตัวการปฏิบัติหรือการกระทำทางภายนอก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 ให้นันฝายิ่งขึ้นไปอีกเมื่อยึดมั่นในตัวตนในอุปาทาน <_ S 2> ก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างต่างตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นๆกลับหลงมองความสัมพันธ์ผิดยกเอา ต, ตัวตนขึ้นยึดไว้ในฐานะเจ้าของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาเมื่อไม่ทำตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย และสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาตัวตนก็ถูกบีบคั้นด้วยความร่องเสื่อมด้อยและความสูญสลายความยึดมั่นในตัวตนนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นข้ออื่นๆทั้งหมด ความหมายง่ายๆแง่หนึง่ ง, งสำหรับแสดงความสัมพันธ์ภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทช่วงนี้เช่นเมื่อประสบสิ่งใดได้รับเวทนาอันอร่อยก็เกิดตัณหาชอบใจอยากได้สิ่งนั้นแล้วเกิดการมุ ป, ปาทานยึดติดในสิ่งที่อยากได้นั้นว่าจะต้องเอาต้องเสพต้องครอบครองสิ่งนั้นให้ได้เกิดทิฏฐุ ป, ปาทานยึดถือมันว่า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 มีใช่แต่เพียงความทุกข์เท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่และกระทำการต่างๆตามอำนาจความยึดความอยากไม่ใช่เป็นอยู่และทำการด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยสำหรับในเรื่องอุปทานสี่นั้นโดยเฉพาะอัตวาทุ ป, ปาทานนั้น เมื่อวิเคราะห์ อ, ออกไปจะเห็นว่าเป็นการยึดมั่นในเรื่องขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งตามบาลีว่าอุทุชนยอมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตามีรูปหรือเข้าใจว่ารูปอยู่ในอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตาอยู่ในรูปและเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารทำนองเดียวกัน จนถึงเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรืออัตตามีวิญญาณหรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณต่อจากอุปาทานกระบวนการดาเนินต่อไปถึงขั้นพบชาติชรามรณะจนเกิดโศกะปริเทวะเป็นต้นตามแนวที่อธิบายแล้ว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 แม้อาวิชาจะเป็นกิเลสพื้นฐานเป็นที่ก่อตัวของกิเลสอื่นๆแต่ในขั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆตัณหาย่อมเป็นตัวชักจูงเป็นตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกล้ชิดเก็นได้ชัดเจนกว่าดังนั้นในทางปฏิบัติเช่นในอริยสัจสี่จึงกำหนดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์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 ให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกลาและขับให้พุ่งไปยังมีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดกรรมฝ่ายดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างมากและถ้าได้รับการชักนำอย่างถูกต้องก็จะเป็นเครื่องอุปถรรมสำหรับกาจัดอวิชชาและตันหาได้ต่อไปด้วยวิถีอย่างแรกเป็นวิธีแห่งความชั่วแห่งบาปอากุศล อย่างหลังเป็นวิธีแห่งความดีแห่งบุญกุศลคนดีและคนชั่วต่างก็ยังมีทุกข์อยู่ตามแบบของตนของตนแต่วิธีฝ่ายดีเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ความหลุดพ้นและความเป็นอิสระได้ตัณหาที่ถูกใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นั้นมีตัวอย่างถึงขั้นสูงสุดเช่น ดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เธอจึงมีความดําริว่าเมื่อไรหนอรอจักกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์สมัยต่อมาเธออาศัยตัณหาลราละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาละตัณหานิเสียเราอาศัยความข้อนี้เองกล่าวถ้าไม่สามารถทำอย่างอื่นนอกจากเลือกเอาในระหว่างตัณหาด้วยกันพึงเลือกเอาตัณหาในทางที่ดีเป็นแรงชักจูงในการกระทำแต่ถ้าทำได้พึงเว้นตัณหา ทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเลือกเอาวิธีแห่งปัญญาอันเป็นวิธีที่บริสุทธิ์อิสระแล้วไร้ทุก